ก็ขอโมทนาในช่วงบ่ายสามเครึ่งแล้วในวันนี้ขึ้นจิตตานุปัสสนาในวันนี้วันที่เท่าไหร่มนะ <20. S 1> ันจะยี่สิบเลยี่สิบหละยี่สิบธันวาเนะี <c> ่ <oughs> ตรงนี้ก็ในด้านของจิตตานุปัสสนาท่านกล่าวเรื่องของจิตปรากฏไม่ใช่สติเนี่ยจิตตังอุปทานังโนสติเนี่ยนะ ตรงนี้พูดในฐานะที่จิตนั้นปรากฏในฐานะเป็นที่พูดถึงในเรื่องของอารมณนาคณะนั่นแหละอารมณ์นาคณะนั่นแหละจิตอยู่ในฐานะเป็นอารมณ์ของสติเขาเรียกว่าจิตอยู่ในฐานะเป็นยาตาแต่สติอยู่ในสติสัมปชัญญะเป็นต้น สติในที่นี้มีปัญมีบรรณาบัญญานำหน้าอยู่ในฐานะยานะคือตัวเข้าไปกําหนดรู้คข่กวนไปวิจัยแล้วก็สติปรากฏด้วยเป็นตัวสติด้วยมาจากคําว่าสติอุปัทานางเจวะสติจาเนี่ยอันนี้หมายความว่ายานปัญญาหมายความว่าตัวสติที่เป็นไปในกรรมหากุศลนะ ถ้าพูดถึงยกวิถีมาเลยก็ทั้งวิถีเลยก็นั่นแหละชาวนะที่เป็นมหมากุศลที่มีสติเป็นไปด้วยมีปัญญาเป็นไปด้วยที่ดับไปแล้ว น, นั่นเองกลับมาปรากฏต่อสติแล้วก็ปัญญาหลังๆทั้งหลางที่ไปคร่ควรไปพิจารณาภิกสุพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยสติและญาณ น, นั้นก็หมายความว่า ถ้าถ้าคํานี้ท่านใช้คําว่าวิปัสนาปัญญาเนะยวิปัสนาญาณที่มีปัญญานําหน้าด้วยท่านไปถึงยังไงแต่จริงๆแล้วพูดถึงการเจริญสติก็สตินํำไปแต่ได้สตินั้นโดยญาณ น, นะนั้นเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงเรียกว่าการพิจารณาเห็นพิจารณาเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นนะเห็นจริงๆนะเห็นด้วยญาณปัญญาเหมือนคําว่า ดูก่อนวัากริเธอไม่ได้เห็นตถาคตเสร็จแล้วไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้ยญาณปัญญาเห็นพระตถาคตหรือเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏก็เห็นด้วยญาณปัญญาเห็นด้วยวิปัสสนาปัญญาทั้งหลายใช่ไหมปรากฏชัดประดุดดังแก้วมณีอยู่ในฝ่ามือ <c oughs> เห็นอย่าง่ง ตรงนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าพิจารณาจิตในจิตทั้งหลายว่าสติปัฏฐานภาวนานี่นะตรงนี้ท่านจึงเรียกว่าภาวนาด้วยธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงกันและกันเป็นชื่อของอินทรีห้าพละหเป็นต้นนั่นแหละศรัทธาวิริยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นต้นกลุ่มตัณหาเป็นปฏิปกักษ์ต่อศรัทธาภะละใช่ไหม กุ่มโกสัจฉะคือความเกียดคา้านความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและความไม่ไม่กล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติเต็มที่อันนั้นเป็นปฏิบักษต่อวิริยพระพละกลุ่มมุตตสติคือการหลงลืมสติที่เป็นอกุศลเป็นสมาเป็นปฏิบักษต่อสติพละกลุ่มวิเคปะความฟุ้งซ่านที่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นปฏิบักษต่อสมาธิพระกลุ่มสามโมหะความลุ่มหลงก็เป็นปฏิบักษต่อปัญญาพระ แคนั้นศรัทธาจึงออกจากอสัตถิยะความไม่มีศรัทธาก็คือออกจากกลุ่มตัณหาเป็นต้นได้วิริยะก็ออกจากโอสัชฌากุศลคือความเกียดค้านที่ไม่กล้าปล่อยจิตเข้าไปสู่การปฏิบัติให้เต็มที่อ่ ะ, อะถ้าพูดถึงอย่างเราเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวิริยะพระนะเพราะไม่กล้า เราไม่มีวิริยะไม่มีความกล้าปล่อยจิตเข้าไปสู่การกข้ควรและการปฏิบัติแบบเต็มที่ทัทีเลยเรายังไม่เคยกระทำเต็มรูปแบบเลยนะเนี่ยใช่ไมเขาเรียกไม่กล้าไม่กล้าเดินออกจากโกศะอากุศลคือไม่กล้าฉะนั้นการที่ไม่กล้าเดินออกจากอากุศลเนี่ย<ป>การไม่กล้า ศรัทธาก็เรียกว่าไม่กล้าได้เพราะไม่กล้าออกจากอสัตถีคือไม่มีความเด็ดเดี่ยวเพราะสภาพของศรัทธาธกิจของศรัทธาเนี่ยเด็ดเดี่ยวเองแล้วก็ะทำธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับตนให้เด็ดเดี่ยวต่อสัตยาวตถุอันนี้ต่อสัตยาวตถุคืออะไรเชื่ออะไรเนี่ยเชื่อศีลสมาธิปัญญาไงเชื่อศรัทธาในศีลศรัทธาในสมาธิในปัญญา คือศรัทธาในธรรมังตนังกฉามี ข, ของพระศาสดาว่าว่าศีลสมาธิปัญญาที่กําลังเดินกําลังไข้ควรกําลังอบรมอยู่เนี่ยจะเป็นปฏิปทานนําไปสู่ความพ้นทุกข์ได้กล้าเด็ดเดียวความเด็ดเดี่ยวตัวเนี้ยเป็นศรัทธาเป็นศรัทธาพละออกจากมุตตเออออกจากอสัตถิยะออกจากตันหาได้ส่วนวิริยะก็คือกล้า ความกล้าออกจากโกสศชอาอกุศลตัววิริยะเนี่ยถ้าคนไม่กล้าท่านเลยอุปมาเหมือนกับหมาป่าตาขาวขี้ขาดนอนอยู่ในโพรงไม้ฝนตกไม่กล้าออกไปหากินเพราะยอดคาสูงท่วมท่วมหลังมันพอดีกลัวเสือดาวเสือเหลืองกลัวเสือโค้งจะกินเนาะก็เลยนอนคุดคูขดอยู่เนี่ยฝนตกลินลินไม่กล้าออกหากินก็พร้อมเนี่ย จัทั้งหลายที่ไม่กล้าปล่อยใจสู่การปฏิบัติเต็มที่ท่านเลยอุปมาเหมือนปมาป่าตาขาวตัวนั้นไม่กล้ากลัวกลัวกลัวอะไรกลัวเสือเหลืองเสือดาวเสือโค้มแล้วก็ไม่กล้าเดินออกจากวัตถุกรรมทั้งหลายเลยไม่กล้าเลยเขาเรียกไม่มีวิริยะภละไม่มีความกล้า ไม่กล้าปล่อยใจด้วยนะเพราะปกติเนี่ยศรัทธาจะเป็นตัวหนุนเนื่องกุศลให้เต็มที่ประคับประคองอยู่นั่นแหละไม่ปล่อยให้จิตตกไปจากกุศลเชวิมนาใช่ไหมวิริยะจะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เลยปล่อยเรื่อยเฉยไปเลยไม่กล้าหนุนเนื่องไม่ระดมความเพียรเนี่ยไม่ระดมศีลสมาธิปัญญาให้เดินเต็มที่แล้วไม่ไม่ระดมศรัทธาแล้ววิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ประคับประคองด้วยเนี่ยไม่กล้าปล่อยจิตไม่กล้า ต่อไปกล้าไหมต้องกล้าไหมถ้าไม่กล้าไม่ถึงทำที่ยังไม่ถึงคือไม่ถึงมาร์กแน่นอนไม่บรรลุทำที่ยังไม่บรรลุก็คือไม่บรรลุผลไม่ทําให้แจ้งซึ่งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งคือไม่ได้ไม่ทําให้แจ้งซึ่งพันธิพาณของพระโสดาบันเป็นต้นฉะนั้นต้องกล้ากล้าที่จะปล่อยปล่อยจิตออกจากโกสัจฉะตอนนี้มันถูกโกสัจฉะครอบงําอยู่ใช่ไหมฉะนั้นต้องริเริ่มไหม อารัปธาตต้องเกิดไหมนิกกมธาต์ต้องก้าวออกจากโกสัชฌาออกจากถีนะมิทาต้องกล้าไหมแล้วก็ปรักกมธาต์ต้องมุ่งหน้าสู่ความเจริญไปบุญในกุศลธรรมที่สูงสูงฉะนั้นเป็นความกระ้าทาั้งนั้นแหละไม่ได้โลกุตระธรรมไม่เลิกพกล้าอย่างนั้นไม่ได้โลกุตระธรรมไม่เลิกเพราะเราจะมาจมอยู่แค่โลกิยธรรมในชั้นของทานศีลไม่พออยู่แค่ทานแค่ศีลไม่พอ ไม่พอแล้วมาในขนานี้ไม่พอแล้วไม่กล้าปล่อยนะไม่ถ้าไม่กล้าปล่อยออกจากโกาชะยุ่งแล้วมันก็แค่ได้เป็นทานปลอมๆศีลปลอมๆภาวนาปลอมๆ ม, มองเห็นยังก็คือให้เป็นไปก็ตั้หามนาทิฏฐิไปวันๆ น, นี่ไม่กล้าแล้วว่าไงแล้วังนี้แล้วก็ท่านกล่าวอย่างนี้ ถ้าเราจะระดมภาวนานี่นะอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกันไงภาวนาด้วยเป็นเครื่องนําซึ่งความเพียรอันสมควรแก่ทำทั้งหลายที่ไม่ร่วงกันและกันอินทรีย์มีกิจเป็นอันเดียวกันนั้นนะ่ะเนี่ยทำเหล่านี้ควรเสพควรจเจริญควรจะทําให้กระทาให้มากเนี่ยก็เรียกว่าภาวนาสี่อย่างเนี่ยแปลว่าระดมและระดมศรัทธาออกจากอสัตถยะความไม่มีศรัทธาเสีย ระดมวิริยะออกจากโกศชาอากุศลที่ไม่กล้าปล่อยใจนําเข้าสู่การปฏิบัติขัดเกลาอย่างแท้จริงเสียสติพละออกจากมุท ธ, ธสติอกุศลคือการที่ไม่กล้าดิ่งในอารมณ์นะไม่กล้าดิ่งในอารมณ์อย่างมั่นคงอ่ะเพราะว่าลักษณะของสตินั้นต้องรักษาจิตรักษาอารมณ์รักษากุศลจิตรักษาอารมณ์สติปฐานเป็นต้นอะไรเงี้ย แล้วไม่ให้อารมณ์กาวคือสติปัฏฐานกล่าวคือจิตนี้ราคาเป็นต้นเนี่ยหลุดลอยไปจากจิตเลยวิจัยจนเห็นเน่ยลาาักษณ ะ, ะสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะตอนนี้ตอนนี้ถึงสามัญลักษณะแล้วเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเป็นอนุปัสนาจเส็จแล้วไม่ใช่ธรรมดาวิปัสนาสูงเนะเนี่ยที่กล่าวนะยในย่านเนี่ยเป็นวิปัสนาระดับสูงนะตรงเนี้ยนะแล้วก็สมาธิภาระก็คือว่า ออกจากกลุ่มวิเคปาคือความฟุง้งความฟุ้งสั้นเนี่ยนะความฟุ้งสั้นทั้งหลายเหล่าเนี้ยเป็นตัวทําลายสมาธิพละแล้วก็กลุ่มสามโมหะอันนั้นก็คือทําลายความหลงความมืดเนี่ยนะนี่เป็นอย่างนี้นี่คือจิตที่มีราคะจิตที่มีราคาก็รอบรู้ใช่ไหมที่จริงท่านสอนไว้อย่างนี้จริงอยู่แต่จริงๆการสืบค้นราคะเนี่ย ท่านพูดราคาโดยฐานะเป็นประธานเครียกราชาอาคาโตก็หมายความกล่าวถึงพระราชาแต่มีบุคคลอื่นตามมาด้วยเสด็จตามมาด้วย เ, ด, เดินตามมาด้วยมีอมาดะด้วยอะไรด้วยท่านยกจิตแต่เจตสิกเนี่ยแปลว่ายกเรียบร้อยแล้วเวทนาขันสัญญาขันสัง ข, ขารละขันแม้เจาะไปทะลุทะลวงไปลู่ประขันด้วยมองเห็นไหมแต่ยกจิตมีราคาเป็นประธานเท่านั้นเอง อันนี้ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นเวลาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องสืบค้นให้ชัดว่าคําที่ท่านไม่พูดเนะี่ยไม่ใช่จิตเท่านั้นน่ะภาษาก็อยู่ในนั้นด้วยเวทนาก็อยู่ในนั้นด้วยสัญญาเจตนามนติการเวท้นก็อยู่ในจิตนั้นด้วยเป็นต้นนี่แปลว่าอะไรเนี่ยต้องรู้สภาวธรรมเหล่านั้นเพื่อจะไปเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยอันนี้ไม่ใช่พระองค์ไม่กล่าวแล้วก็เลยไม่ดูแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วแล้วอะไรคืองานวิจัย ที่ลึกซึ้งละเอียดถี่ท่วนใช่ไหมแล้วอย่างนี้ภาวนาจะบริบูรณ์ยังไงภาวนาก็ไม่บริบูรณ์พิสูจน์ในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาจิตที่ปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะถ้าจิตปราศจากโทสานี่โอ้โหเยอะเลยเออปราศจากราคะเนี่ยปฏิสนธิจิตปราศจากราคะไหมปราศจากไหมปฏิสนธิจิตปราศจากราคะ พระวังคจิตไหนก็ปราศจากราคาปัญจทวารอวชนะจิตอวชนะจิตเนี่ยนะอวชนะจิตที่ที่พิจารณารูปอวชนะจิตที่พิจารณาเสียงอวชนะจิตที่พิจารณากลิ่นอวชนะจิตที่พิจารณารสอวชนะจิตที่พิจารณาโผลพระแล้วก็จักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณ เห็นไหมสัมปติชนะสันติ ร, นะรณะโวตธะรณะตัาระนะแล้วก็กลุ่มอากุศนทั้งหลายใช่ไหมนี่ก็จิตปราศจากราคะแต่จริงๆก็คือว่าท่านไม่ได้อ่าวในในจิตตาเนี่ยท่านพูดเป็นทุกกะไปพูดเป็นหมวดหมวดไปทีนี้ในในการไข่ควรของพวกเราในยุคหลังๆเนี่ย พอลักษณะเจตุที่จะตุการของของจิตนี่นะลักษณะคือสภาพที่รู้อารมณ์คือรับอารมณ์ใช่ไหมจิตเป็นอย่างนั้นเกจาราสาสภาพที่เป็นผู้นํารับอารมณ์ก็คือเป็นประธานเป็นประธานปัจจุบประธานสภาพที่เชื่อมจิต ด, ดวงหลังกับจิตดวงหน้าไม่ให้ลําดับจิตขาดไป ไม่ให้ลำดับอันนี้คือคืออาการปรากฏประทัดฐานก็คือรูปนามถ้าปฏิสนธิเนี่ยเราไม่ได้เรียนลนกักณะจิตุการของปฏิสนธิจิตเราไม่ได้เรียนลนักณะที่จิตุการของพระวังกจิตเราไม่ได้เรียนลักษณะจิตวการของอาวัชนาจิตที่ไปพิจารณารูปพิจารณาเสียงกลิ่นรสแล้วก็ขรภะใช่ไหม ไม่ได้พิจารณาลักขณาเจตการของจกักรวิญญาณโซตวญญ า, า, าวิญญาณคานักวิญญาณชิวหาวิญญาณกายแวิญญาณสัมปติชนะสันติรณนวเทวนะหรือลักขณาที่จะตการของกุศลชาวนะและอกุศลชาวนาแะลวนและตถาลัมพนะเข้าใจยังตอนนี้ก็เลยลำดับแห่งการไข้ควรไปตามวิถีต่างๆก็ขาดตอนไปนี่คือลำดับการปฏิบัติที่เป็นไปตามวิถีต่างๆนะที่เป็นไปตามทวานต่างๆนี่แหละ ลำดับต่างๆเหล่านี้ก็ต้องฟื้นขึ้นมาไข่ควรกันดีนั่นแหละเอามาไข่ควรกันจะได้รู้ลำดับว่าจิตปราจากราคะได้กล่าวไปแล้วว่าปฏิสนธิเนี่ยเป็นวิถีมุตตจิต ร, รู้ไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ลักษณะรู้จิต ร, จรู้การปรากฏรู้เหตุใกล้ของปฏิสนธิจิตคือสภาพที่รับอารมอย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือกตินิมิตอารมณ์ที่ชาวนะใกล้ตายรับมาจากอดีตแพรอันนี้เป็นปฏิสนธิใช่ไหมปฏิสนธิเป็นแบบนี้ไหมมาจากคําว่ากรรมะกรรมะนิเมิตตาคตินิมิตตานังอัญญตรารามนาวิชานันลักษณนังปฏิสนธิจิตังลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้เขารับอะไรรับกรรมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตรอารมณ์ที่กรรมะเนี่ ที่มรณาสันนชาวนะรับมาเมื่อใกล้าตายในดีตภพนี่เป็นอารมณ์กิจจรัสะก็คือการเชื่อมภพเชื่อมกี่ภพหมอกิตของปฏิสันเทเชื่อมสองภพมาสามภพแล้วยุ่งแล้วเชื่อมตัวภพไหนจิตภพก่อนกับจิตภพหลังใช่ไหมเขาเชื่อมไม่ให้ไม่ให้จุดติดจิตขาด เขาเลยเชื่อมพบก่อนไว้แล้วกับพบหลังให้ต่อกันให้เชื่อมกันนี่คือกิจลัสษณของตัวปฏิสนธิต้องเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจจะไม่เห็นโทษจะไม่เห็นทุกขัสต ร, ร์ของปฏิสนธิเอารู้แค่ปฏิสนธิไหวไหมไม่ไหวมีมีเวทนาอยู่ในนั้นด้วยมีสัญญาอยู่ในนั้นสังขารด้วยอยู่ในนั้นด้วย ปฏิสนธิรูปด้วยปฏิสนธิน้ำด้วยที่อยู่ปาทะขนาดเนี่ยนะตรงนี้ต้องสืบค้นรู้เพื่อวิจัยเพื่อจะได้เห็นปฏิสนธิชาติการที่พบชาติไม่ขาดทําให้เราต้องมาทนทุกข์ทรมานต้องมาบริหารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อีกตัวปฏิสนธิอีกตัวเชื่อมพบเก่ากับพบใหม่นี่แหละเชื่อมพบหลังกับพบหน้าไม่ให้ขาดจากกันนี่แหละถ้าขาดไปก็เป็นปริญญนิพานจุดติใช่ไหมเป็นปริญญนิพานไปแล้ว ผู้ได้เจ้าขาดแล้วพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะปฏิสนธิจิต ท, ท่านขาดแล้วท่านขาดหมดแล้วเอาสิแปลว่าท่านไม่มีปฏิสนธิชาติไม่มีใช่ไหมไม่มีเอกโวกาลาชาติเจตัวกาลาชาติปัญจโวกาลาชาติไม่มีขันหนึ่งปฏิสนธิไม่มีขันสี่ปฏิสนธิไม่มีขันห้าปฏิสนธิแต่อย่างเราเนี่ย ด้วยกระแสของตัณหาด้วยอวิชชาด้วยกรรมเนี่ยนะไม่ถูกกระชากด้วยอาราตมักไม่ถูกปัญหารด้วยอาราตมักก็ต้องมีการเชื่อมพบอยู่ล่ําไปจุติจิตแล้วก็ปฏิสนธิเกิดจุติจิตเกิดแล้วก็ปฏิสนธิเขาเรียกว่าทิ้งขันธภาระที่จุติก็ไปยกขันธภาระที่ปฏิสนธิใหม่ยกขึ้นห้าเลยทิ้งห้ายกห้า ทิ้งสี่ยกสี่เออทิ้งห้ายกสี่อะไก็แล้วแต่ใช่ไหมบางพวกก็ทิ้งซะห้ายกซะหนึ่งขันแต่ละพบเนี่ยนะก็แล้วแต่แต่สรุปก็คือว่านั่นแหละเป็นตัวเชื่อมเชื่อมเวลาพบเก่ากับพบหลังให้ต่อกันนี่คือตัวปฏิสนธิปัจจุบันฐานก็คือสภาพที่สามารถเชื่อมลําดับจิตพบก่อนกับพบหลังอ อันนี้อาการปรากฏพัทธฐานคือนามาเจตสิกที่เกิดพร้อมการะตนกับวัตถุรูปที่อาศัยตัวปฏิสนธ์มีนามาเจตสิกอยู่ได้ไหมและตัววัตถุรูปเนี่ยที่จะเป็นฐานในการที่จะต้องวิจัยอ่ะ ห, หทาทายะวัตถุสืบค้นไปจากมังสาหัตยุมังสาหัตยะนั่นแหละแล้วก็ไปวิจัยตัวหัตยาวัตถุอันเป็นที่อาศัยของมโนธาตุและมโนยานธาตุ โอ้ถ้าไม่รู้วัตถุวัตถุนี้ในชั้นของอัตถกถาดีกาเนี่ยท่านกล่าว ส, สองในยะถ้าค้นไปก็จะเจอสองในนี่แหละคนไปค้นมาเนี่ยนะพวกเราก็สบายไม่ต้องคน้นเออคนมาก็จะเจอหัตถยวะวัตถุหมายถึงหัตถยะวัตถุหมายถึงวัตถุหกด้วยแล้วก็หมายถึงวัตถุนั้นหมายถึงหมาพูดและอุปาทายาลูกแค่นั้นแหละคนไปก็เจอด่านสองด่านนี่แหละไม่ต้องเหนื่อยมาก ใช่ไ <Feel> ตรงนี้ก็ไปเห็นอ๋อเขาเจอเจอศัพท์คําเนี้เนี่ยก็บอกอ๋อหมายถึงวัตถุแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จก็คือที่สุดจริงๆก็คือมหาพูดและอุปาทูกบ่งบอกอะไรบ่งบอกการวิจัยในด้านของวิปัตมายาณนั้นต้องรู้วัตถุด้วยต้องรู้มหาพูดและอุปาทิยรูปทั้งหมดด้วยเพื่อวิจัยด้วยถ้างนั้นลูกจะไม่บริสุทธิ์เมื่อรูปปริฆหายานไม่บริสุทธิ์แล้ว มาเดินนามกับมาถานก็จะจะล่วงเนี่ยนี่พอมองเห็นไหมหมออ้า ก็ตรงนั้นก็ใช่แต่ว่าในาขณะเดียวกันมันไม่พอมันไม่พอคาว่าไม่พอหมายความว่าที่เราเรียนเราทรงจำไว้นั่นนะเป็นแค่สัญญานิมิตหมายต่อไปนั้นจะต้องเอานิมิตหมายของสัญญานั้นนะไปเป็นฐานของสติเพื่อจะเข้าไปวิจัย ก็ได้จากสัญญาที่จำลักขณาจิตุกะจำปฏิสนธิจิตจำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นี่แหละก็อย่างที่บอกว่าหมอไปซื้อของที่ตลาดแต่หมอยังไม่เคยเห็นของนั้นเลยเนี่ยเข้าใจยังแล้วหมอจะต้องเอาความจำที่บอกละเอียดจากพระธรรมของพระศาสดานั่นแหละไปดูที่ตลาดไปดูอ้อนเป็นอย่างนี้เข้าใจยังเอางี้แล้วแล้วงั้นหมอจะหยีบถูกหม แล้วจะหยิบถูกไหมนะอ ย, อยอประมาณเอางี้หมอกรณีที่เรียนเนะี่ยปฏิสนธิชาตินะปฏิสนธิจิตที่เรียนกันมาเนี่ย ใช่ไหมที่เราเรียนกันมาศึกษากันมาหมอว่าศึกษาเล่นๆหรือหรือศึกษาเอามาเพื่ออามาวิจัยจริงๆแล้วแล้วจบที่ห้องเรียนหรือหมอคิดว่างั้นแค่นั้นดรือเ่าอปฏิสนธ์ที่จิตผวังกจิตเนี่ยคิดว่าจบที่ห้องเรียนหรือ ถ้ากรณีอย่างนี้ว่าถ้าไม่ไม่วิจัยไม่เจริญสติแบบนี้แบบเสร็จเนี่ยเราจะแยกวิถีมุตตจิตกับวิถีจิตยังไงแล้วจะเห็นว่าสภาพผวังกับจิตปฏิสนธิจิตจิตจิตเป็นสภาพที่เหมือนกันใช่ไหมมันสืบค้นไปได้ไหมแบบนี้สืบค้นไปได้ไหมเดี๋ยวถ้าไปดูลักษณะจิตุกาศของผวังแล้วจะเห็นความความต่างกันนิดเดียวเอยงก็เห็นความต่างกันนิดเดียวอย่าง อ้าวแล้วรวังเกิดกับหมอตลอดเวลาไหมอาแล้วจะต่างอะไรกับปฏิสันทีและจิติแล้วในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ปฏิสันทีไปกี่ดวงแล้วเออหมอใช้ไปกี่ดวงแล้วใช้อุเบกขาสันติระนาอุสุนียังเคยใช้ไหมยังเคยใช้ไหมยังเนี่ยทนการไม่รอบรู้ทุกขสัตย์ไงเนี่ยโทการไม่ไม่รอบรู้ทุกขสัตย์นี่แหละ จึงไม่เข็ดลาที่จะกลับไปใช้ใหม่ไนงะอุเบกขาสันติอนะอกุศลเนี่ยที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเปรตอสุรกายเนี่ยเราไม่รอบรู้เราไม่ได้กําหนดนีพถามว่าเป็นสัจจะอะไรเอาปฏิญที่เนี่ยเป็นทุกขสัตว์เมื่อเป็นทุกขสัตว์เนี่ยเป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้นะต้องไม่วิปริตในทุกขสัตว์ด้วยต้องกําหนดรู้ต้องรอบรู้ แล้วต้องไปรู้สมุทัยสัจจะของปฏิสนธิด้วยนะไม่ใช่รู้แค่นี้นะทุกขสัจธรรมและสมุทัยสัจธรรมเนะี่ยต้องรู้เขาอาวิชาตัณหากรรมที่เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตยังไงยังต้องรู้เลยหมอฉะนั้นต้องรู้จริงๆและรู้แค่นี้ไม่พอต่อความสะดุง้งสะเทือนที่จะออกจากวัฏจต้องรู้จนสามารถสะดุง้งสะเทือนต่อการเบื่อนหน่ายจริงๆต่อปฏิสนธิที่จะได้ อุเบกขาสันเตียนกุศลที่จะทําหน้าที่ปฏิสนธิให้เป็นมนุษย์เทวดาบ้าใบาบอด น, นวัวรเราก็ยังไม่เคยรอบรู้จริงๆรยิ่งจังเลยมหาวิบากยาณวิประยุทธ์นมั้ยที่เป็นเกี่ยวกับทวีเหตุที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิเป็นมนุษย์หรือเทวดาที่ไม่มีปัญญาก็ยังไม่ชัดมหมายบากญานสัมยุทธ์เป็นมนุษย์หรือเทวดาที่เป็นติเหตุการาบปฏิสนธิและยังเป็นอุกตถาโอมกะอีกรายละเอียดเยอะนั้น ผู้มีปัญญาสามารถก็ว่าไปแต่อย่างเราก็ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้บรรลุไม่ได้เพราะเป็นทุกข์ษัตริย์เป็นทุกข์ษัตริย์ปฏิสนธิของรูปาวาจรอรูปาวาจรนั้นเป็นกิจของผู้ได้ฌานเสมอะะใช่ไหมทีนั้นบอกว่าวงจรของกามาวาจรธรรมทั้งหลายเหล่าเนี้ยเราต้องชัดพอสมควร ที่ที่ต่อยานปัญญาทั้งหลายที่จะไปไข่ควรไปวิจัยฉะนั้นที่ศึกษามาเนี่ยไม่ใช่ศึกษาทิ้งเลยเป็นการศึกษาที่เอามาวิจัยเอามาไข่ควรเอามาวิพิจารณาจริงๆจนสภาวะต่างๆเหล่านั้นปรากฏชัดเนี่ยต่อยานปัญญาของผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันถึงจะเรียกว่าอ๋อเนี่ยเข้าถึงแล้วถ้าอย่างนั้นจะไม่เบื่อหน่ายผวังนะหมอแล้ะทำที่เกิดพร้อมกับผวังนะ ก็คือสรุปก็คือขันห้านั่นเองตรงนี้จริงแล้วก็คือว่าเขาเป็นวิถีมุตจิตเ้าเป็นวิถีมุตจิตแต่อย่าลืมพระวังทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามองดูในทันฐานของพระวังนี่นะตัวพระวังที่บอกว่าลักษณะก็คือรับอะไรรับกรร ม, มาอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์ที่มรณาสัญนะคือชานะใกล้ตายรับมาจากพบก่อนเป็นอารมณ์หนึ่ง อันนี้คือลักษณะของพวังกัจิตต้องรู้ไหมต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกับรักษาสภาพที่เป็นเหตุแห่งพพนี่เป็นเหตุแห่งพพแล้วเพราะอะไรเพราะว่ารักษาลําดับจิตพพก่อนกับจิตพพหลังแม่ขาดพระวังเขาก็รักษาเขาถือว่ารักษาแม่ขาดเขาจะต้องไหลไปเรื่อยเขาแม่ขาดหรอก มันกิดของเขาหมอลงชาวนาเมื่อไรเนะยถ้าปวังไม่ทํากิดของเขาเนะี่ยขาดเนียหมอซึ่งเป็นไปไม่ได้เขาจะต้องทํากิดของเขาอยู่แล้วแล้วเเล่าพ่อหมอไม่รอบรู้เขาไงไม่ถอนตันหาในเขาให้ขาดไงเขาจึงต้องต่อลําดับให้หมอถลนลําไปกระแสชีวิตของหมอลงปวังลงไปสิแต่เขาจะรักษาลําดับพบก่าพบก่อนไว้เขาจะไม่ให้พบขาดออกไปแน่นอนเขาจะต้องมีหน้าที่รักษา มองเห็นอี่ยังนี่นรักษาพบไม่พบของหมอขาดเนี่ยงั้นจะมองอย่างนี้จะโอ้เป็นอย่างนี้ยิงเขาว่ารักษาลำดบบับจิตพบก่อนกับจิตพบหลังไม่ให้ขาดและประทัฐานก็คือสภาพที่มีความสามารถเชื่อมลำดับจิตพบก่อนกับพบหลังเขามีความสามารถด้วยเขาเชื่อมได้เช่นพวังเก่าจะขาดไปเขาเชื่อมได้ เป็นอนันตระสามัญนันตระอนันตโรปนิสยาณถิวิคตะเอาสินี่ไงเขาเชื่อมไว้เชื่อมไว้เชื่อมไว้เชื่อมไว้หมอจะนอนแบบประเภทไม่ให้เชาวนะขึ้นเป็นกลับก็ได้แต่เขาจะเชื่อมไว้นี่โทษไม่รู้อ่ะเห็นอย่างนี่โทษไม่รู้ไม่รู้จกนะักรวังเนี่ยเอาที่ลงไปสิจะไม่ขึ้นสู่เชาวนะก็ได้แต่เขาจะไม่ให้พบขา ถ้าจะขาดก็จะให้ลําดับจุติเป็นไปนั่นก็ไหวทีเดี๋ยวก็ปตินที่ต่ออีกมันจะรักษาอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละคือกลุ่มกลุ่มวิถีมุตตจิตเ้าเรักษาลําดับแห่งจิตและรักษาครบเห็นไหมอาการานี้ต้องปรากฏต่อยานปัญญาชัดถ้าไม่ชัดไม่สะดุ้งสะเทือนต่อการที่จะต้องมาแช่อ ย, อยู่กับรวังเนะ ท่านผู้บรรลุแล้วท่านจะไม่ค่อยลงผวังเท่าไหร่นี่จะรู้ใช่ไหเพระพุทธเจ้าใช้ผวังน้อยมากเพราะท่านจะเร่งกิตของท่านเย่ะไหมเห็นไหมนั่นแหละแปลว่าฝึกขัดมาอย่างดีไหมเนี่ยเอาอยู่ๆเราจะทําให้ผวังเกิดนิดๆหน่อยๆขึ้นสู่เชลหนะได้ไหมตายตายก่อนทําไม่ได้ด้วยนี่เพราะเราไม่ฝึกจิตไงไม่ฝึกขัดไม่ขัดกลาไม่ไข่ควรไม่วิจัยไงแล้วปล่อยผวังลากยาวไปตลอดชีวิตของเราเนี่ย โดยส่วนใหญ่นะปล่อยซึมไปนั่นแหละใช่ไม่ใช่โดยส่วนใหญ่เราจะไม่เคยกระตุ้นเพื่อจะทําให้อวชนะหมุนตัดผวังบ่อยๆหรอกถ้าหมุนก็หมุนอีกทีงตอนโลภตอนโกรธตอนหลงหมุนลึกเกินไม่ค่อยๆลงผวังเหมือนกันแต่หมุนก็จะทําบาปทําชั่วแค่นั้นเองเห็นไหมว่าโยนิโสมนัสการเนี่ยไม่หมุนเพื่อจะทําให้วิถีกุศลเกิดเพื่อเดินเข้าสู่ปฏิบัติอย่างแท้จริงเลยนี่เห็นไม่เห็นโทษของผวัง ถ้าหมอเห็นโทษของพระวงังหมอจะไม่แช่พระวังนานนะฝึกได้ด้วยนะอย่าลืมนะฝึกจะขึ้นสู่วิถีเร่งเร่งความเพียรกินน้อยนอนน้อยอ่ะปฏิบัติมากจะจะตามมาเลยเห็นเห็นการนอนเป็นเรื่องของไม่ได้แล้วจะแช่กันมากไม่ได้แล้วเพราะเห็นโทษของปฏิสนธิจิตเห็นโทษของพระวังกับจิตเนะี่ยถ้าวิจัยอย่างนี้ ขนาดฟังอย่างนี้ยังพอเห็นแล้วถ้าวิวจัยจริงๆจะเห็นมากกว่านี้ไหมจะเห็นมากกว่านี้นี่เป็นอย่างนี้ถ้างั้นจะไม่นอนหลับทับสิทธิ์แล้วใช่ไหมเอาพอจะมองเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้นะหรือหรือว่าผวังเป็นสจารอะไรหมอทุกษัตริย์เนี่ยควรอะไร เอาเกิจที่ควรทำกับเขาคืออะไรควรกำหนดรู้แล้วตอนนี้หมอกำหนดรู้หรื อ, อยังก็ละเลยสจัจจะละเลยทุกขสัตที่พระศาสดาไม่วิปริตแล้วสาวกของพระศาสดาไม่วิปริตในการกำหนดแล้วแต่เราละเลยลาละเลย คือคือคือที่จริงที่จริงทุกชาวนะทุกวิถีทางทุกทวารก่อนจะขึ้นสุทวานนะั้นะมีพวังมาก่อนอย่างมากมายก็ ต, ตรงนี้เพราะว่าเราไม่เคยเดินลูกกรรมฐานให้แข็งแรงมาเลยนั่นเอง แลเรายังไม่รู้ลักษณะอะไรชัดเจนเลยแล้วก็ไม่เคยไปใส่ใจวิถีจิตก่อนใช่มกลมถึงบอกว่าวิถีมุตตจิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวิถีจิตเขาคล่องแคล่วแล้วเขาถึงเดินก็สู่วิถีมุตตจิตอีกทีใช่ไหเราเรียนกันเนี่ยเราเรียนเพื่อไปสอบเท่า น, นั้นเองมีอะไรหรอกไปสอบเค่า น, นั้นเอง ปฏิสนธิพะวังจะติมีกรร ม, มะอารมณ์กรร ม, มนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ที่ฉาตวารีกรรมวรณาสันนาชวานารับมากับพ่อปกรณ์เมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์นี่สอบได้แล้วแค่นี้สอบได้แล้วจริงไหมก็แค่นี้เองแล้วได้อะไรแต่เนี้ยถึงบอกไงถ้าได้จําได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จ่จริงเพราะว่าทุกชวนะที่ขึ้นมาอยู่เนี่ยมีผลหมดเลย ทุกวิถีที่ขึ้นมาอยู่เนี่ยหลุดมาจากผวังอาวชนะมาจากผวังตัดผวังขึ้นมาทั้งนั้นแต่บางท่านก็เห็นไหมบางท่านเนี่ยผวังก็ดีผวังก็จะนะนท์พอมคู่เบเชทา่าเป็นต้นเหล่านี้ยไม่เป็นอนันตราชสมานตระอนันตรุนนตรูปนิสสยะปัจจัยแก่อาวชนะที่จะเป็นโยนิโสได้เลยนั่นคืออะไรเนี่ยนี่ทษการไม่วิจัยทั้งนั้นแหละ ไม่เป็นปัจจัยแก่โยนิโสพนิสิการเลยอย่าไปคิดว่าพวังที่เกิดก่อนอวชนะจะไม่มีอิทธิพลนะแล้วมีอิทธิพลทั้งนั้นแหละชาวนาก่อนก็มีอิทธิพลแม้สั่งสมอัธยาศัยอย่างลงสู่พวังก็ยังมีอิทธิพลใช่ไหมนั่นคําว่าอนันตระสำนันตระอนันตโรบนิสยาณติวิคตาเนี่ยที่จะเป็นปัจจัยแก่มโนทวารอวชนะก็ดีเป็นปัจจัยแก่ปัญจทวารอวชนะ มีผลมีผลจะเป็นโยนิโสอโยนิโสได้ทั้งนั้นใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่ๆไม่มีเหตุปัจจัยใดๆที่จะเกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยมีผ ล, ลน่มอนนั่นแหละโทษของการไม่วิจัยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จกเสียหายเยอะถึงบอกว่าในเรื่องของนามธรรมเนี่ยต้องไขครวนนั้นทุกขสัตย์เนี่ยอย่าลืมว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตใช่ไหม นี่เป็นสัจจะเป็นความจริงนี่เป็นสัจจ ย, ยานและเป็นสัจจะเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระถาคถาคตเป็นกิจยานว่าควรกําหนดรู้ทุกขสัจความควกําหนดรู้ควรรอบรู้ควรกําหนดรู้ด้วยยาตาปริญญาด้วยสภาวะลักษณะด้วยปัจจตารักษณะและตีรณะเป็นปริญญาด้วยสามั ญ, ญลักษณะ ย, ยัง นันต้องชัดอย่างนี้เสียก็จบเลยว่าไม่ได้แล้วอันนี้เป็นโทุกษัาสตร์นี่ทกษัตริย์นี่ควรรอบรู้ใช่ไหมควรรอบรู้จริงจริและที่ที่สําคัญกว่า น, นั้นก็คือมันเกิดในกระแสะชีวิตของหมอเองด้วยแล้วก็กระแสะชีวิตของศัตร์ทั้งหลายด้วยไม่ได้ไปเกิดในกระแสะชีวิตของคนอื่นอย่างเดียวนะและไหลามากที่สุดในกระแสะชีวิตของเราด้วยแต่เราถูกโมหะปิดมานานแล้วเราไม่เห็นน่ะเราไม่รู้่เราไม่ได้วิจัยอะ่ะ เอาถ้าพูดอย่างนี้ให้รู้สึกมันจะยากสำหรับเราเหนไหมก็สืบค้นไปจากการฟังนี่แหละสืบค้นไปจากการฟังนี่แหละใช่ไหมเอาถ้าฟังอย่างนี้เราก็จะมองต้นมองปลายออกแล้วถ้าเราบอกว่ า, านี้ถ้าพูดอย่างนี้นะว่าไอตอนขึ้นเนี่ยมันชัดตอนเหยียบบนนั้นไม่ชัดแล้วตอนลงมันชัดเนี่ยแต่ไม่ใช่ตอนขึ้นมันไม่มีไหมเหมือนกับเหมือนเสือโดดขึ้นพานหินน่ะลานหินน่ะ ตอนโดดขึ้นก็มีรอยสิแต่ไปเหยียบบนหินจะมีรอยได้ยังไงเพราะเป็นก้อนหินแต่กระโดดลงอีกอ่ะมีรอยอีกอนี้คำนวณได้ไหมเดี๋ยวก็ชัดเดี๋ยวก็ชัดชั้นใดอุเบขาเวทนาเนี่ยเขายัางคำนวณได้เลยใช่ไหมใช่สุขทุกมีแล้วไม่อุเบขาจะไม่มีล่ะอย่างเงี้นะเพราะถ้าสุขชัดขึ้นทุกชัดขึ้นนะเข้าระหว่างสุขกระทุกนั่นคืออุเบขาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้น อันนี้อาจจากขูยิญวิถีมีโสตวิญญาณมีคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณจากขุทวารวิถีมีโสตทวารวิถีคานทวารชิวหาทวารกายยะทวารมโนทวารวิถีมีหมดแล้วก่อนขึ้นวิถีเหล่านี้แล้วลงวิถีเหล่านี้อะไรรวังทั้งนั้นใช่ไหมระวังทั้งนั้นหมอฉะนั้นจึงเป็นทกษัตริย์พอจะมองเห็นไหมตอเนี้ยต้องวิจัยไม่วิจัยไม่ได้ ก็เป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาโคดเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระอริยะแต่ไม่ยังตอนนี้ยังไม่เป็นสัจจะยังไม่เป็นความจริงของผูุ้ชนอย่างเราเท่านั้นเองเราเลยยังไม่เห็นใช่ไหมเราเลยไม่ได้ทำยาตปริญญาเราเลยยังไม่ทำตีระนปริญญาเราเลยไม่ได้ประหารนปริญญาคือความติดข้องในพวงอันนี้หมอว่าระวังกับจิตเนี่ยสัตว์ยินดีไห เย็นดีไหมโหเย็นดีมากใครอยากให้ผวังเกิดยาวๆไม่ตอนกลางคืนเนี่ยไม่ต้องตื่นอะ่ะรวดเดียวตื่นอะ่ะคิดไหม่หมอสัตว์ยินดีผวังน่าจะโทนการไม่รอบรู้ผวังก็อยากจะให้ผวังไหลหยาวๆรอหลสักขอไฟเนะยเอาสักแ ป, นะปชั่วโมงดีไหมวันนี้คืนนี้แหมพอผวังมันตื่นขึ้นมาเนะี่ะโหนึกเครียดเลยวันนี้วันนอนแค่ชั่วโมงเดียวก็ตื่นนะ นอนไม่สะดวกเลยนั่นแนหะผวังนั่นแนย่ยินดีผวังนั่นแหละแต่สัตว์ไม่รู้ตัวว่าตนเองยินดีอะไรเพราะโมหะปิดหมอไม่เห็นผวังไม่เห็นความเบญบายของผวังในจิตหรอกโมหะปิดม่านม่านม่านของตาคือปัญญาเนี่ยปิดปิดมากด้วยไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษของผวังยอมว่าอยากนอนนั้นนั่นนั่นคือปรารถนาผวังนั้นนั้นน่ เดี๋ยวพูเดี๋ยวอยากฟังทำแม่ตามไปนอนด้วยวันนี้ไปไหมอ้าวนี่ไม่พูดไม่จริงแล้วถ้านั้นไปอยู่ด้วยกันแล้วมาก็จะไม่นอนได้จะนั่งคุยทำไม้โยมพวันเอามเห็นไหมบอกว่าเดี๋ยวขอใช้รวังหน่อยยังไมเธอลงก็คือขอนอนก็คือขอใช้รวังหน่อยเพราะคิดถึงรวังมานานแล้ว พวังนี่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินน่าพอใจน่ารุ่มหลงมากพออยู่กับพระวังแล้วมีความสุขกว่าอยู่กับชาวนาสัตว์โลคเป็นยังงั้นจริงๆเพราะมันน่าเพลิดเพลินกว่ามีความสุขตื่นมาสดชื่นนี่นะสดชื่นคืออะไรโลภะได้นอนนานๆยินดีคืออะไรก็คือโลภะใช่ไหมสตวติดข้องในพระวังก็จิตไหมติดข้องในปฏิสนที่จิตด้วยอย่าว่าแต่พระวังเลย มีใครบ้างจุดติแล้วไม่อยากได้ปฏิสันทิฮะอมีใครบ้างเอาผู้ดูชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยากได้ปฏิสันทีดีๆทั้งนั้นใช่ไห ม, มนั่นแหละคือติดข้องผวังเรียบร้อยไปแล้วหมอติดข้องแล้วนี่นี่โทษของการไม่วิจัยผวังกจิตไม่ไม่วิจัยปฏิสันทิจิตฉะนั้นเนี่ยการไม่รอบรู้ทุกศาสตร์เนี่เป็นโทษโดยส่วนเดียว นั้ภาษาสดาตรัสไว้น่ะจริงแท้ไม่แปรผันเลยเป็นสัจจคของพระตถาคตเป็นสัจจคของพระริยาเจ้าแต่ไม่เป็นสัจจความจริงในใจของสัตว์ที่ยังมืดบอดด้วยตัณหามานะที่ถอยู่ตอนนี้เท่า น, นั้นเองมองเห็นได้อย่างตอนนี้ยตอนนี้จะได้ไม่ติดข้องในเรื่องของปฏิสนธิจิตพระวังกัจิตว่าต้องรู้จริจรงๆถ้าไม่รู้พ้นทุกก็ไม่ได้เขาเป็นทุกข์สัตว์เนะี่ย ถ้าไม่รู้จักระวังไม่รู้จักปฏิินที่จะแล้วอะไรคือการพ้นทุกข์บางท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยมันยากอาจจะคิดในมุมก็ยากสิใช่ไหมเพราะเราถูกกิเลสพัวพันในสังสารวัฏมาอย่างยาวไกลแล้วการคิดจะออกจากกิเลสเนี่ยกิเลสก็ดักหน้าดักหลังล้อมหน้าล้อมหลังแล้วยากอยู่แล้วแต่ยากแล้วเราจะยอมถูกจับ จะยอมเป็นธาตกิเลสไปอย่างยาวนานไหมในสงสารวัตรเราเคยคิดอยากจะหนีคิดอยากจะออกจากการที่จะต้องมาหมกอยู่กับมหาโจรที่ชั่วร้ายนี้หรือไม่ที่มันดักพ้นคุณความดีคือทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลของเราอย่างยาวไกลเนี่ยขนาดจะมาทําความดีมันยังแอบดักพ้นอยู่เลยใช่ไหม เนี่ยมีร่วบขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นมหาโจรทำให้เราเสียกุศลมาไม่รู้เท่าไรแล้วในสังสารวัฏเนี่ยถ้าเราคิดอยากจะออกต้องรู้เขาจริงๆแม้แต่ว่าขันห้าไปนอนในวิถีมุตตจิตก็ต้องตามไปรู้ว่าเขาไปนอนทำอะไรเขาไปแอบทำอะไรอยู่ต้องไปรู้เขาริงแม้เขาขึ้นมาเพ่นพานก็ต้องรู้ด้วย ว่าเขามาเพ่นพ่านในทวาวรไหนในจกกักขุทวารวิถีโสตถาวารคานถาวรจิหัทวาวรกายยะถาวรมนทวาทวรถ้าไม่เห็นโทษในภวังกจิตสัตว์ก็ยินดีพระวังกจิตหรือยินดีปฏิสนธิจิตนั่นเองจะไปต่างอะไรกันถ้าไม่เห็นโทษวิถีจิตที่เป็นแบบทางทุกๆเถถาวรสัตว์ก็ไปยินดีตายินดีหูยินดีจมูกยินดีเล่นยินดีกายยินดีนดใจก็ไปสร้างกรรมที่จะทําให้ได้ตาหูจมูกเล่นกายใจใช่ไหม เนี่ยโทษของการไม่เห็นโทษนี่แหละจุดบอดของโมหะที่เขาให้คล้ายปัญญาว่าตรงนี้อย่าไปรู้เลยอย่าไปรู้เลยเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เริ่มใจเริ่มเห็นบ้างไหมหรือเห็นแต่มาต้องรอดู ในจิตสิบหกประเภทใช่ไหมอ๋อถ้าไม่มีห้ามหากาตก็อย่าไปไปแเราไม่รู้มหาคตายังเดินไม่ถึงก็อย่างเราก็เอากลุ่มนั่นแหละที่เกิดได้นี่แหละที่ยังมีอยู่แม้มหาคตะยังไม่เกิดเรายังพยายามจะไปรู้เลยเห็นไหมเนะี่ยทั้งรวังเลยเกิดตลอดนะ่าเอารู้รวังก่อนอรูช้ชาวนะก่อนใช่ไหมที่เป็นไปตามวิถีต่างๆก่อนเดีย๋ยวมหากคตาไว้ที่หลังหลังจากสมาบัติเกิดดีไหม ตรงนี้เดี๋ยวหลังจากได้สมาบัตรก็ค่อยไปรอบรู้สึเพราะถ้าตรงนี้จะเริ่มมองเห็นบ้างหรื อ, อยังทีนี้เอาใครยังไม่ค่อยชัดตรงนี้ฉะนั้นกรณีแห่งการที่เอาภาวางคัดจิตก็คือว่าเป็นเหตุแห่งพบนั่นเองกิจรักษะรักษาลำดับจิตพบก่อนกับพบหลังไม่ขาดประทัดประจุประฐานก็คือสามารถเชื่อมเชื่อมลำดับแห่งพบก่อนพบหลังเนี่ยนะ ปรทาฐานก็คือนามาเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนแล้วหาทะยอวัตถุ ด, ด้วยเพราะเข้าสายหยายทะเยอถุเกิดไหมแล้วก็นามมาทําก็คือเวทนาขันธ์สัญญาสังขารที่เกิดพร้อมสรุปแล้วต้องรู้ขันห้าในขณะหลับเอขอไปในขณะลงรวังแต่ไม่ใช่เอารวังวิรุปรวังนะเอามาหากุานนะสัญาณนะสำปยุทธ์นี่นแหละที่เป็นมีวิปัสสนาปัญญาทั้งหลายแหละไปวิจัยไปรอบรู้ถ้ามองเนี้ย แตต้องมีมโนทวารวัชนะเป็นตัวนํานะไม่ใช่เอาปัญจทวารลวัชนะเป็นนํำปวทมนะก็นําไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่รอบรู้ด้วยปัญจทวารลวิถีต้องรอบรู้ด้วยมโนทวารลวิถีและต้องเป็นกุศลชวนะมียานปัญญาวิปัสนาญาเป็นตัวนํานะต้องมีตัวนำปัญจทวารลวชนะก็คือลักษณะคือสภาพที่รู้อารมณ์มีรูปรมเป็นต้นที่เกิด ก่อนจักขูวิญญาณเกิดก่อนโสตวิญญาณเกิดก่อนคณะวิญญาณเกิดก่อนชิวหาวิญญาณและกายยวิญญาณใช่ไหมนี่คือปัญจทวารละชนะก็คือว่าเป็นสภาวัธรรมที่รู้อารมณ์รู้อารมณ์คือรู้อารมณ์หนั่นเองรู้ปัญจรมมีรู้อารมณ์เป็นต้นเขาเกิดก่อนจักขูญญาณไหมเกิดก่อนวิญญาณ10นะ